พระธรรมเทศนาแผ่นที่62ลำดับที่17โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่8มิถุนายน2557เมีชื่อเรื่องว่านี่ละคือชีวิตของพระดูดนะูนานาคนะถ้าท่องได้ไว ถ้าท่องได้เร็วขานนากได้เร็วกระบวดได้เร็วนะหลวงพอบอ่อไวยดลกี่ขานบินทบาทเลี่ยงมาบาทไผบาทมั่นมาเลี่ยงไผยเลี่ยงมั่นมะถ้าท่องได้เร็วก็จะบวชให้เร็วสมัยหลวงปู่หลวงตาของเรานะหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นหลวงปู่เสาที่จะบวชให้ ครูบาอาจารย์รุ่นเก่าของพวกเราเนี่ยหลงปูเ่เสาหลงปู่มั่นใครจะบวชเนี่ยโ อ, โอ้ต้องติดตามติดสอยห้อยตามครูบาอาจารย์ทังสมเดือนอย่างน้อยนะเป็นตะปะขาวต้องสามเดือนมันไม่ใช่ได้บวชง่ายๆนะประเคนอย่างไงกัปปิยะอย่างไงอันไหนควร ได้ยาทำทางจงกลมรู้หมดตปพะขานะ่ะพอรับใช้พระน่พระก็ห้าหองคส1บกว่าองค์ก็ใช้ตปพะขานะ 2, น่ะสองสามคนฉันเสร็จแล้วขนะไดไปด้ยาทางได้ยังกลมให้พระจากนั้นก็มาท่องท่องก็ท่องไม่ได้ไม่รู้หนังสือใช่ไหมเอซ่าหังเอซาหัง่งพันเตพันเตตามเลยเสร็จแล้วเหนื่อยแล้วก็ต่างคนต่างไปก็หยุด จากนันเอามาท่องไม้ออกนั่นแนหะกว่าจะบวชได้หลายเดือนแต่พอบวชเข้ามาแล้วจนี่โอ้ต่างองค์ก็ต่างมุ่งมั่นต่างองค์ก็ต่างประพฤติธปฏิบัติอยู่ในพระพุทธศาสนาเป็นกูบาอาจารหลวงปู่หลวงตาไปเลยเพราะว่าการบวชก่อนที่จะบวชได้ไม่ใช่ธรรมดาบวชยากพอบวชเข้ามาแล้วก็เป็นผู้มุ่งมั่น เป็นผู้ตั้งใจจริงจึงจะบวชถ้าไม่ตั้งใจจริงไม่มุ่งมั่นจริงก็คงจะถอยนะ่ะแพ้่างอ้นยอมแพ้พวกยอมแพ้ก็ไม่ใจน้อยเองเหมือนกันนะพอเข้ามาบวชแล้วก็สู้ทนในการเป็นอยู่ไม่ไหวก็ลา ถ, ถอยไปก็ไม่ได้บวชอันนั้นก็มากต้อมากเหมือนกัน เพราะนั้นท่านเข็นเอาแต่ผู้ที่มีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจมีความอดทนจริงหนักเอาเบาสู้นะท่านจึงให้บวชในครั้งนูครูบายจารย์ลงปู่ลงตาพอการบวชมันก็บวชยากหาผ้าเนี่ก็หายากบริขารกว่าจะได้บริขารแต่ละอย่างบางทีบางครั้งก็รอบริขารอีกต่างหาก บริขารที่จะได้มาเพราะฉะนั้นการบวชในจุคครูบาอาจารย์อย่างที่หลวงพ่อได้บอกกล่าวให้พวกเราท่านทั้งหลายได้ทราบน่ยพอหลวงพ่อก็พอทันอยู่พอได้รู้อยู่เพราะว่ารุ่นหลวงปู่ล่าหลวงปู่ต่างๆหลวงพ่อก็พอได้เห็นแต่พอมารุ่มหลังๆมาได้รู้สึกว่าอัถบริขารหาง่าย จีวรสังคาติหาง่ายก็เลยบวชง่ายแต่ตามไม่จริงบางครั้งของง่ายจนเกินไปจนหลวงตาที่เราได้ฟังใน MP3 หลวงตาหลวงตามหาบวัวท่านก็ตํามในอีกเหมือนกันเพราะว่าการบวชบางครั้งไม่ได้ท่องเอสาหังติดกุก ก, ะ ก, ะ ก, ะกัก ก, ะกะักกุกกักกักก่อนที่จะบวชได้ขนาดอุปชาอาจารย์กับหลับหูหลับตานั่งอุปชา บวชไปแต่ทั้งที่ท่องไม่ได้ถูไถไปพอเอาใจผู้เข้ามาบวชผู้เข้ามาบวชนั้นก็บอกว่าผมมีภาระผมมีธุระตรวนแต่ผมอยากจะบวชเจดวันผมมาอยู่หนากไม่ได้อยู่วันสองวันประชาาจชนเกรงใจเกรงใจหนักเกรงใจ ญ, ญาติพี่น้องของหนักผลที่สุน โดยมากมันไม่ได้จับถูจับไถไปก็บวชพอบวชเข้ามาแล้วก็ดูถูกพระอีกได้ทงเพราะเข้ามากับมาแบบอิลูอีนังพันตวอะไรเข้ามานะ่ะไม่ได้คิดไม่ได้อ่านไม่ได้วางแผนไว้ก่อนนะเข้ามาแบบฉุกละหกพอเข้ามาเสร็จแล้วก็มาอยู่แบบฉุกละหกอีกตั้งตัวยังไม่ติดศึกออกไป พอสืกออกไปก็ดูถูกพระโอ้ยพระอยู่ในวัดไม่ได้ทำอะไรอืมเขาคืออยากจะให้พระในวัดเนี่ยทำงานเหมือนกับครวะทำรัว้วทาสวนทาไร่ทำนาทำแบบนั่นนะ่ะแบบคารวะทำพระอยู่ในวัดไม่ได้ทำอะไรอยู่เป็นวันๆแต่และองค์ปิดเงียบกุฏิออกไปกัไม่ใช่จะไปส่งเสริมพระใหม่ประเภทอย่างนั้นโดยมากไปดูถูก เพราะเหตุไรเพราะว่าการเข้ามาก็ไม่ได้ศึกษาไม่ได้ศึกษาในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็เข้ามาก็ไม่ได้ศึกษาอีกการเป็นอยู่ของพระอีกก็ศึกไปกต่ไปด่าพระอีกเลยหลวงพ่อว่ามีแต่เสียกับเสียทําแบบชกต้องหกอย่างนั้นอ่ะเพราะเหตุไรเพราะว่ า, วาไม่ได้ศึกษาในรายละเอียดก่อนที่จะเข้ามาบวชแล้วต้องศึกษาซะก่อนว่า หลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านบวชอย่างไรท่านศึกษาอย่างไรพระพุทธเจ้าดูสิที่ท่านไปบวชอยู่หกปีที่แม่น้ำอนโนมาณทีเนี่ยท่านถือปากกาไปไหมถือสาตราอาวุธไปไหมถือดาบถือหอกไปไหมไปฝึกวิทยายุธเกี่ยวกับการรบการพุง่งอย่างนั้นใช่ไหม ไม่มีมีแต่ไปนั่งภาวนาไปนั่งคิดไปนั่งทําความเข้าใจกับตนเองไปพิจารณาการกรองไตรตรองเหตุและผลจนวันหนึ่งที่ได้ตัดสู้อย่างที่หลวงพ่อเล่าแล้วเล่เาอีกพูดแล้วพูดอีกนะปุกเพยเนวาสารุสติยานละลึกชาดโหนหลังได้จดตูปปาปาตยานสรุปแล้วก็คือท่านดูกายดูใจของท่าน ดูกายคือร่างกายของเราเนี่ยเป็นร่างกายแต่ตัวหนึ่งอยู่ในนั้นคือใจคือนามธรรมอยู่ในใจนอยู่ในตัวนั้นตัวนั้นสำคัญพระพุทธเจ้าท่านไปพิจารณาค้นคว้าอยู่ทั้งหกปีไปค้นคว้าศึกษาเรื่องเรื่องธรรมเรื่องกายเรื่องใจหกปี จนรู้แจ้งเห็นจริงท่านบอกว่าท่านบอกได้เลยว่ามะโนปุพังคัมมาธรร ม, มามโนเศรษฐามโนมายาเนยเรื่องทั้งหลายทั้งปวงทั้งหมดในจักรวาลมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสำเร็จแล้วด้วยใจคือพวกเราทุกคนที่นั่งอยู่ด้วยกันเนี่ยรูปร่างกลางตัวของเราเนี่ยใช่เหมือนกับรถแต่จิตใจที่มองไม่เห็นน่ ที่พระพุทธเจ้าให้ความสนใจนนั่นแหละตัวนามธรรมตัวนั้นแหละตัวสําคัญตัวใจคือนามธรรมคือคนขับรถตัวนั้นะสําคัญมากพระพุทธเจ้าให้ความสําคัญตัวนั้นล่ะตัวดีตัวชั่วตัวทุกข์ตัวสุขตัวเวียนไหวตายเกิดในวัฏสงสารไม่มีที่สิ้นสุดคือตัวนั้น นี่และพราะพระเจ้าไปค้นคว้าศึกษาก่อนที่ท่านจะบวชทั้งหปีจากนั้นเมื่อท่านได้ตัดรู้เป็นพระอนุตระสัมมาสัมโพธิญาณท่านก็เอาความรู้นั้นมาสอนพระสงฆ์สาวกในเมื่อสอนพระสงฆ์สาวกแล้วท่นี่พระสงฆ์สาวกก็ได้สาเร็จมรรคสาเร็จผลเป็นพระระยะบุคคล ตามที่พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยว่าเป็นพระอรหันต์ประสกทาพระอนาคาพระโสดาอย่างน้อยก็ได้นับถืออยู่ในธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ในโอวาทจากนั้นก็ได้ประพฤติปฏิบัติศึกษาในธรรมคำสอนเพราะนั้นเวลาบวชเข้ามานีพระพุทธองค์ก็ไม่ได้ให้สอนว่าปลูกต้นไม้อย่างนั้นกเษกษตรอย่างนี้ท่านก็ไม่ได้สอน มีแต่ให้ว่าเที่ยวบินธบาติหนึ่งนุ่งห่มผ้าบางสกุลหนึ่งอยู่โคลนต้นไม้หนึ่งฉันยาดองด้วยนะ้ํำมูดเน่านะีอันนี้คือวิถีชีวิตของพระเมื่อเข้ามาบวชแล้วนะเ อ, อเธอต้องบินธบาตเลี้ยงชีพนะต้องอาศัยปีแข้งหรือว่าการเดินบินธบาตมาฉันนะเที่ยวบิณธบาติหนึ่งท่าผ้าก็ได้ผ้าบางสกุลที่เขาทิ้ง หรืออะไรก็ได้ที่เห็นนะไม่มีเจ้าของนะเรามาเย็บประติดประต่อเอามาใช้ก็ได้ถ้ามีกะห่าบดีถวายผ้าดีก็ใช้ถงดีถ้าไม่มีก็ใช้ผ้าขาดผ้าอะไรก็ได้เพื่อปกปิดร่างกายผ้าบางสกุลผ้าที่เขาทิ้งแล้วนั้นแต่ว่าในครั้งพุทธกาลเอาว่าผ้าบางสกุลหรือ ว, ว่าผ้าเขาทิ้งในสมัยนั้นน่ะ บางทีคนตายนะเมืองอินเดียนะเวลาคนตายแล้วก็จะหาผ้าไม้ยาวๆเนะี่ยมากับพันๆๆๆๆๆๆๆๆคนตายนะพอพันเสร็จแล้วเหมือนกับเป็นแท่งเสร็จแล้วเขาก็เอาไปโยนทิ้งป่าช้าจากนั้นคนก็เน่านะ่ะพอเน่าเไม่รู้แหล่งไม่รู้กาหมาปา่าอะไรกินซากศพนะจากนั้นพระสงฆ์ทั้งหลายก็ได้ไปเก็บเอาผ้านะั่นที่เขาหอนะนะ่อศพนั่น เอามาซักทําความสะอาดแล้วก็มาย้อมในหล่อผ้าบางสกุลนี่แหละในครั้งพุทธการในพระทิพได้ใช้ผ้าเนี่ยผ้านั่นว่าผ้าบางสกุลพระพุทธเจ้าก็ได้ใช้ผ้าบางสกุลเหมือนกันนะที่ผ้าท่านได้มอบให้ผ้ามาหากัตสปะาคือนางปุณธาสีเป็นทาสีของเศรษฐีตายพอตายเสร็จแล้วเขาเอา ผ้าพันนางปุณธาสีเส็จแล้วก่อนนะพระองค์ก็ได้ผ้านั่นนะ่ะเอามาตัดเป็นสังฆาติอันนี้คือผ้าบางสกุลเป็นอันแรกของพระพุทธเจ้านี่แหละชีวิตของพระเนี่ยเป็นอย่างนั้นไม่ใช่ว่าชีวิตฟุ่มเฟือยชีวิตหรือเฟืองไม่ใช่ว่าชีวิตลืมตัวไม่ใช่นะ่ะเป็นชีวิตปนปอนในการเป็นอยู่เที่ยวบินทบาทีน่องโหมผ้าบางสกุลอยู่โคลนต้นไม้ ฉันยาดองด้วยน้ำมูดเน่าน้ำมูดก็คือน้ำปัสสาวะมาต้มแล้วก็มาดองกับสมอเป็นยาถ้าเจ็บใครได้ป่วยอันนี้ก็คือการเป็นอยู่ของพระเมื่อการเป็นอยู่ท่านจัดว่าเป็นหมวดศีลนะเีนี่คือกฎระเบียบคือกฎหมายกฎหมายการเป็นอยู่ของพระสงฆ์แต่ในแนวความคิดนีแนวความคิดอันนั้นว่าจัดว่าธรรมแนวความคิดทั้งด้านจิตใจ สรุปแล้วก็คือรถคันนี้มันจะกินน้ํามันเครื่องกินน้ํามันเบนซินกินน้ํามันโซลารมีเจละบีหรือว่าอะไรในรถคันนี้แต่โซเฟอร์เนี่ยเธนี่โซเฟอ ร, ฟอร์คิดยังไงเธนี่ให้คิดยังไงจึงจะถูกต้องมีแต่ทั้งวีทั้งวันมีแต่หาน้ํามันมาใส่รถตลอดดูแลรถตลอดโดยไม่ได้คิดหาช่องทางอย่างอื่นเลย พระพุทธเจ้าท่านบอกไม่ถูกรถนี่ถึงจะเลี้ยงขนานดไหนก็เลี้ยงไปเถอะถึงจะหาน้ํามันเช็ดวันร้อยครั้งก็เถอะเช็ดรถคันนี้ให้สะอาดสะอ้านอยู่ตลอดก็เถอะอีกสักวันหนึ่งจะต้องเห็นผมขาวนะเดี๋ยวจะเห็นฟันหลุดผรถคันนะี้เดี๋ยวบู๊ทนะุกข์กันไปนอนอยู่ในห้องทาไมตายง่ายกระดุกกระดกไม่ได้มีแต่ลืมตานะ่ยคือร่างกายนี่ถึงจะเลี้ยงขนาดไห น, นมันมีจุด ไปลักษณะอย่างนั้นแต่ข้อสาคัญพระพุทธเจ้าให้ความสาคัญเรื่องโซเฟอร์ โ, เ ฟ, รโเฟอร์ตัวที่อยู่ในรถรถถึงจะเลี่ยงดีขนาดไหนกัมันไหลไปตามสภาพอย่างนั้นแต่โซเฟอร์เนี่ยปรับปรุงได้ท่านว่านะปรับปรุงได้โซเฟอร์ให้เป็นคนดีให้เป็นสมบัติผู้ดีให้เป็นนักเลงเป็นหัวไม้ให้เป็นนักปลนักฆ่าสสดงนักสแสดงอะไรได้หมดทุกอย่าง โซเฟอร์เนี่ยนะแต่ว่ารถเนี่ยทังยังไงก็อยู่ในสภาพนั้นแหะแต่พระพุทธเจ้าท่านว่าให้ดูให้เอาหลักธรรมให้ทำรรให้โซเฟอร์เป็นธรรมเอาธรรมเข้าสู่โซเฟอร์เอาศีลธรรมเข้าสู่โซเฟอร์ต้องได้รับการอบรมต้องได้รับการเรียนรู้ต้องได้รับการศึกษาเนี่ย น, นะในเมื่อเขาเราเข้ามาบวชน่ยนะเราเอาโซเฟอร์เข้ามารับการศึกษาศึกษาอย่างไงนย พราะพระพุทธเจ้าท่านนั่งขัดสมาธินี่แหละท่านว่าเวลาไปบินทบาทพระไปบินทบบาทกลับมาแล้วมาถึงกุฏิตัวเองมาถึงที่พักตัวเองนั่งขัดสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทำกายให้ตรงดำลงสติเฉพาะหน้ากำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกเห็นอเนจังเห็นทุกขังเห็นอนัตตาว่าร่างกายสังขารเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอน เพียงลัดนิ้วมือเดียวก็คุ้มค่าข้าวน้ำโภชนาอาหารที่ศรัทธาญาติโยมนำมาถวายท่านมาพระพุทธเจ้าท่านตรัสอย่างนั้นนะแต่ถ้าหาว่าปินฑบาตกลับมาล้วมาฉันมีธตพูดเรื่องการบ้านการเมืองการธรรมาค้าขายมีธตพูดเรื่องโลกเรื่องสงสารมีแะพูดเรื่องสเพเหระหไม่ได้พูดไม่ได้คิดอเนจังทุกขังอนัตตาไม่คุ้มค่าข่าวเขา ทันวานะเป็นหนี้เป็นหนี้ค่าข้าวค่าน้ำของชาวบ้านแต่ผู้ใดมานั่งคัจจมาธิแล้วเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาร่างกายสังขารมิใช่ตัวตนของเราเป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟมีความเห็นเพียงลัดนิ้วมือเดียวเพียงแค่นั้นก็คุ้มค่าข้าวเพราะนั้นนี่แหละคือหน้าที่ของพระสงฆ์เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนา ท่านไม่ได้ให้ทำการทำงานอย่างอื่นนะท่านให้ภาวนาหาทางพ้นทุกข์ถ้า พ, าพาระสงฆ์ได้เป็นพระอริยะบุคคลได้เป็นพระอรหันต์ศรัทธาญาติโยมผู้ทำบุญผู้ทำบุญบุญกุศลทวีคูณมากมายมหาศาลเพราะอนิสงส์ได้ทาบุญกับพระพุทธเจ้าได้ทาบุญกับพระปฏิเจกพุทธเจ้าได้ทาบุญกับพระอรหรันต์ ได้ทำบุญกับพระอรหันต์ที่ออกจากนิโรธสมาบัติอีกอันนั้นบุญกุศลทวีคูณเพราะนั้นพวกเราที่ยังเวียนว่ายตายเกิดยังปฏิบัติยังไม่ได้ถึงขนาดนั้นก่ส่งเสริมทําบุญอย่างพระพุทธเจ้าของเราก่อนที่ท่านจะได้ตัดรู้เป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณท่านทําบุญเท่าไหร่ไม่ใช่น้อยเหมือนกันตามชาดกต่างๆที่พระพุทธองค์ได้ ทรงสวยพระชาติเป็นพระมหากษัตริย์เป็นเศรษฐีร่ํารวยขนาดไหนก็เถอะเป็นพระมหากษัตริย์พอสวยราชสมบัติพอสมควรแล้วพระองค์ก็บอกเลยถ้าเห็นผมหงอกบอกเราด้วยนะในช่างการบกคือช่างการบกคือในช่างตัดผมนายช่างการบกก็เห็นโอ้เกศาพระองค์ เงอกเสร็จแล้วขาวขาวแล้วอถอนมาดูสิพอถอนออกมาใจฝ่ามือมาโอ้เรานี่ยแก่แล้วอ่ะเราไม่ควรจะของราชสมบัติควรจะมอบราชสมบัติให้กับพระราชโอรสผู้ใหญ่จากนั้นก็เรียกมาก็มอบราชสมบัติพระองค์ออกไปอยู่ในป่าเป็นลือสีเราได้อ่านในชาดก อย่างนี้นะ่ยมากต่อมากคือพระพุทธเจ้าน่ยท่านไม่ได้นิ่งนอนใจในการเป็นอยู่ท่านมองเห็นความแก่ความเจ็บความตายจากนั้นพระองค์ก็ไม่ตั้งอยู่ในความประมาทออกไปบําเพ็ญอยู่ในป่าเป็นฤาษีบําเพ็ญตะปะบําเพ็ญศีลสมาธิปัญญาจากนั้นก็ได้ฌานได้ฌานสําเร็จฌานสมาบัติจากนั้นก็ขึ้นไปเกิดพรหมโลก ชาติไหนที่เป็นไปเป็นลือสีอยู่ในป่าไปบำเพ็ญกันนะชาตินั้นไปไปสู่พรมแต่ชาติไหนเป็นเจ้าฟ้าเจ้าเป็นดินเป็นมหากษ า, ศารศึกเป็นเศรษฐีบำเพ็ญกุศลอันนศสงทานศีลธรรมดาพอพอตายจากชาตินั้นไปสู่สวรรค์โดยมากเราอ่านเรื่องศึกษาในพระไตรปิฎกจะเป็นลักษณะอย่างนั้นเพราะอนศสงทานอนศสงศีลเนี่ยไปสู่สวรรค์ แต่อันนี้สงภาวนาเนี่ยเป็นฤาษีสีไพรเนี่ยไปบำเพ็ญจนได้สําเร็จฌานสมาบัติโดยมากไปเป็นพรหมทั้งหมดไปอยู่ชั้นพรหมพอไปอยู่ชั้นพรหมหมดอายุแล้วก็ลงมาเกิดมาเกิดบำเพ็ญใหม่อีกบําเพ็ญเนี่ยเขไม่ใช่ว่าจะไปได้ดีทีเดียวไม่ใช่นะบางทีก็ตกต่ําอีกเหมือนกันพอมาคบหมู่คบเพื่อนคบคนเลวคบคนชั่วก็เป็นคนชั่วกับเขาไปอีก ออกจากระตกนรกหมกไหมไปอีกไปเกิดเป็ น, นชัดชัดฉาหมูม้ากาไก่ขึ้นมาอีกนี่แหละชีวิตของดวงวิญญาณหรือชีวิตของโซโฟเฟอร์เนี่ยไม่ใช่ว่าจะเกิดมาพบนี้เป็นมนุษย์ชาติหน้าจะเป็นมนุษย์ไม่ใช่นะถ้าเราทํากรรมชั่วเข้าไปแล้วถลําเลยตอนไหนตกไปในทางต่ําเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะเกิดมาพบนี้ชาตินี้ได้พบพระพุทธศาสนา ได้พบทำคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้เล่าให้ฟังอันนี้ก็เป็นเพื่อการศึกษาให้พวกเราศึกษาศึกษาและให้ปฏิบัติดูด้วยให้นั่งภาวนาอย่าพึ่งเชื่อทีเดียวอย่าพึ่งปฏิเสธทีเดียวให้ฟังเอาไวใ้ให้เชื่อไว้เป็นเบื้องต้นซะก่อนจากนั้นก็ลงมือปฏิบัติถ้าเมื่อลงมือปฏิบัติแล้วนั้นผลงอกเงยผลจะตามมา หรือว่าผลแห่งการปฏิบัติของตนเองนะั้นอะจะเป็นที่พอใจหรือว่าเชื่อมั่นในตัวเองไม่ได้เชื่อมั่นผู้อื่นนะทีนี้นะที่แรกเะเชื่อมั่นในพระพุทธเจ้าซะก่อนนะเชื่อมั่นในพ่อแม่ครูบาอาจารย์ซะก่อนเชื่อมั่นในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าซะก่อนในระดับหนึ่งแต่เมื่อพวกเรานำมาปฏิบัติแล้วเชื่อมั่นตัวเองทีนี้เออใช่เราปฏิบัติเหตุผลจริงจร่ะ ปฏิบัติตามแนวแถวที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์แนะนำสั่งสอนได้ผลจริงๆนั่นแหละเชื่อมั่นในตัวเองและขมันขยันด้หหาทางที่จะพ้นทุกข์พอเราบวกลบคูณหารได้เป็นอันดับแรกเลยเมื่อบวกได้แล้วอือใช่วิธีลบหรือทำยังไงวิธีคูณทำไงวิธีหารทำยังไงเลย้ก็เรียนรู้ไปเรื่อยๆลยแต่พอเรียนรู้โอ้ใช่หลักสูตรเป็นอย่างนี้นี่แหละ หลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ลักษณะอย่างนั้นน่ะทีแรกเราก็ต้องต้องปลูกศรัทธาเป็นเบื้องต้นซะก่อนในเมื่อปลูกศรัทธาเบื้องต้นเชื่อแล้วก็นํามาปฏิบัติพอนํามาปฏิบัติแล้วะเห็นผลเห็นผลแห่งการปฏิบัติจากนั้นก็เชื่อในธรรมคาสอนของพุทธเจ้าในการปฏิบัติของตนเองวันนั้นกอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะที่ทุกพ่อได้ให้แนวความคิดเกี่ยวกับ การบวชในพระุทธศาสนาไม่ใช่ว่าปวดแบบสุกเอาเผากินแบบง่ายๆไม่ได้นะถ้าบวชอย่างนั้นบวชเข้ามาก็ไม่ได้ศึกษาอะไรบวชเข้ามาแล้วก็ศึกออกไปกันดูถูกพระอีกต่างหากว่าพระไม่ได้ทําอะไรเพราะตัวเองไม่ได้ศึกษาพระจะให้ทํำยังไงในทําคําสอนของพระพุทธเจ้าพระในท่านให้ทําอย่างไรหน้าที่ของพระคืออะไร กฎระเบียบของพระนั้นคืออะไรพระควรจะทำอย่างไรพระควรจะทำตนอย่างไรอย่างหลวงตามหาบัวธันวาศเขาบอกว่าหลวงตาหาทองคำเข้าคังหลวงไม่ใช่หน้าที่ของพระหลวงตาก็ถามว่าหน้าที่ของพระนั้นคืออะไรมันเคยบวชไหมละ่ะมันเคยบวชหรเขาว่ากับว่าไปตามเขาแล้วก็เห็นเขาว่ากับว่าไปตามเหมือนกับหมาเลย เห็นใบไม้หลงต้นหนึ่งเขาตัวที่สองก็เห่าไปด้วยมันไม่ได้คิดได้อ่านว่าอันไหนผิดอันไหนถูกหน้าที่ของพระนั่นคืออะไรกิจของสงฆ์นั่นคืออะไรอยู่เฉยๆเลยทําไงถ้าทํำยังไงคือกิจของสงฆ์มาอธิบายให้ฟังซิหัวหดไปหมดเลยนั่นแหละเห็นเขาเห่าก็เห่าไปตามเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ต้องมีเหตุมีผลก่อนที่จะพูดสิ่งไหนออกไปนะเพราะนั้นการบวชก็เหมือนกันนั่นแหละ การบวชในพุทธศาสนากาให้พวกเราตั้งใจในการบวชทั้งทีชีวิตบวชมาเพื่อเสียสละเพื่อหาทางพ้นทุกข์ในวัฏฏะสงสารการบวชต้องมีสัจจะสัจจะคือความจริงจังและจริงใจในตัวเองถ้าบวชเข้ามาแล้วเล่อหล่อเลยหลไปเรื่อยบวชรักบวชรีอย่างหลวพ่อว่าบวชรักบวชรีบวชหนีสงสารบวชผานเข้าสุขบวชสนุกตามเพื่อนบวชเพื่อนศาสนา มันมีหลายบวชนะเพราะนั้นพวกเราจะบวชอะไรนะควรจะบวชหนีสงสารนะอันรับพรในตะนใ น, นอนุมโมทนาให้พร